ท่านนโยคาวาจรท่านไหลเวลานี้ใกล้จะสิบแปดนีกาสามสิบนาทีเป็นเวลาใ้การรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุกคกรรมด้านนรกสาหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึง สังคาตะมหานรกเป็นขุมดีสามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนํานรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุะมหานรกโรรุะมหานรกนี่แปลว่านรกที่มีเสียงโครนคราง เป็นนั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใช่เสียงลองเพลงเป็นเสียงเรื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีอยู่ว่าเราเราสัตว์แม่ล่อว่าชาวซะด้วยนะบาลีนี่แบบบอกว่าเราสัตว์ชาวรู้ว่านารก คนยินใช้สัตว์เหล่าสัตว์ในโลรือวานรกนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกโบหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกวบลล็กอันร้อนแรงใหญ่คือดอกวบหล็กมันดอกใหญ่ใช่ไหมแค่ดอกวเหล็กเขาละรก ศีสะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่เข น, นอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรลุวะนรกกับมหาโรลุวะนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรลุวะนรกมันได้สัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนศีสะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คาง มิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัวไม่จะเอาคางพาดดอกบัวจมหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสําหรับมือทั้งสองก็กลางจมมิดลงไปในดอกบัวเหลยแค่ข้อมือ นอนความน่าอยู่ด้วยการอันผิลึ ก, กลที่โกลชนนี้ถูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนกระแสะไฟพันนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันธีพันรกมามีความเล่าร้อนเกินไปตามลําดับสูงขึ้นเป็นลําดับลําดับ ท่านบอกว่าสําหรับเปลวไฟและ <c oughs> แล บ, บข้อหูซ้ายออกหูขวา <c oughs> แล บ, บข้อนหูฝาออกหูวซ้ายลองนั่งลึกดูลองนั่งไขครวนดูว่าถ้าเราถูกแบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเพียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่ขอ น, นอนยืนบนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วม ไฟพุ่งเข้าหงส์ซ้ายเข้าหงส์ขวาเขาหูซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าทางปากออกทางจมูกเข้าทางจมูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องถ้าบอกว่าร้องเสียวสนันบันไวทื่อื่นแต่ความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในในดอกบัวเหล็กแค่ค้าง เสียงร้องคนงกลางมันออกมาอย่างไงแล้วกากลีบดอกบัวไม่ใช่เหล็กทึบเสียงยังปรากฏออกมาได้ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องเสวยทุกขเวทนาจนกว่าจะครบอายุของกรรม สำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไม่ว่าอายุของสัตว์ในโดรวะนรกนี้มีประมาณสี่พันปีนรกความจริงก็ไม่นานนะสี่พันปีเท่านั้น <c oughs> แต่ว่ามันสี่พันปีนรกซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือสองร้อยสามสิบสี่ล้านปีของมนุษย์ เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้แ <c oughs> ล้วก็นับโดยเดือนก็สามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนของเขาสิบสองเดือนของเขาก็เป็นหนึ่งปีของเขาเอา้าลองคูณกันดูนะเพื่อกฎว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสำเร็จปัญญามาแล้วก็มีหลายท่าน ลองคูนอายุสัตว์นรกดูกันแล้วกันท่านอยากจะลงขุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงขุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกขุมต้นๆอยากจะลงมาทำไมถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เราก็พยายามลงเอเวจีมาหานรกก็แล้วกันไหนไหนยลงสักทีใหมันมีชื่อมีเสียง <c oughs> อัน้นี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาพระท่างหลายถ้าพลาดพลั้งลงไปเขาก็ลงอเวจีมหานรกกันถ้าลงแค่โลรวัฒนรกแค่นี้นั้นมันก็บุญวา ส, สนาน้อยเกินไปเพราอ น, นันว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนรกขุมนี้จะมีโอกาสก็ต้องเพียงเพียงแค่อเวจีมหานรกขุมเดียวน่าเสียดายนะเอาคุยกันต่อไป เล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าฟังซสียก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบปลายคมแล้วก็จะอธิบายเรื่องเก็ด <c oughs> ที่เคยปรปศพมาบ้างมาบ้างมาบ้างแล้วก็ที่เคยพบตามธรรบาลีบ้างจะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะกลัวจะไม่ละเอียดเพราะว่าผมไม่ได้ดูมากมายนะัก แต่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในะนรกมันก็มีคือคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นมาให้การรับโทษทุกข์กกโทษมันอาจจะไม่เหมือนกันเรมาว่ากันต่อไปถึงนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรวานรกนรกขุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีร้องเสียงครวครางดังกว่านรกขุมก่อน ยิงให้นามว่ามหาลูลวานรกแม่น่าคงจะดีกว่าน่าชื่นใจกว่า <c oughs> แต่กล่าวถึงกฎข้องกรรมที่ถูกการทรมายของสัตว์นรกคุมนี้จะต้องเสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวนักใช้ศัพท์แบบนี้อีกแล้วนี่เพราะอมาลีมาใช้ คุณดูตามบาลีสำนวนถ้ามันขัดขัดหูชอบก้นเพราะว่าหน้ากลจะเป็นคนแปลนะในสมัยนั้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเพราะต้องเข้าไปยืนในดอกโบเเลกนรกนีู่นี้ยืนผู้นั้นนอนผู้นี้ขยันมากหน่อยเก่งกว่าเขาจึงที่มีนามมาหาพระววยใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบรารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่า มันบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีดแต่ละกลีดคมกลีกเหมือนกรดโอ้โหสบายไม่น้ําซ้าก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟในรกไฟนรกเผาดอกบัวจนแดงฉานมัอนกับเราไฟมาเผาเหล็กจนแดงโชนแต่อีกดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอโ้สบาย ซึงลุกโพรงอยู่ในดอกบัวพีนเนียงนิดเขาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงพิษะพ่อภู้นี้ก็ยืนนิรนัน่าแต่เสียงก็ถึงได้ดังกว่านรกคมแรกหัวก็จมไปในดอกบัวมันก็นเลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปลวไฟแรกเครั้งทวารทั้งกาวเอาแล้วสิอ๋อทวารทั้งหมดมันเปิดอยู่ เผาไหมไปทั้งข้างในและข้างนอกก็มีเปลวไฟอันร้อนแรงได้กาเช่นนั้นด้วยนั่นนรกคุมนี้จึงมีนามว่าชื่อว่าชาลาโรรวะนรกแม่มีชื่อนะชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้เขาบอกว่ามหาโรรวะนรกแต่ยังมีชื่อซ้อยกึ้นมอีกว่าชาลาโรรวะนรก นั่นแปลว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโคขนครางเพราะเปลวไฟด้านี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตเของสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมาหาโลโลวานนรกนี้ต้องเสวยทุกข์โทษในดอกโบวัวเหล็กถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจ จะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้ล่ะคุณท่านั่งบนเมื่อตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ในนรกนะเพราะนรกเขาไม่มีการตายกันจงกว่าจะหมดเกียเมื่อหมดเกลียแล้วก็ไม่ตายคือพ้นมาจากนรกนี่ท่านที่กำลังจะเินเพื่อกรรมฐานอยู่ถ้าอยากก็กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สนานนรกก็แล้วกัน จะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิรยยบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิริ ย, รยาบาลนี่แกไม่รู้จักร้อนตีขนนำลงไปที่ทิศะซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งทิษะแตกยับถึงก็นั้นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตาย พรามน่ายกรรมที่ทำให้ชีวิตได้รับทุกข์ต่อไปจงจนกว่าจะถึงอายุไข่เนื่องกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของยุสัตว์ในมหารุกวานรกนี้โอ้โหมีประมาณแปดหมืนปีนรกน่าอยู่นะอายุยืนดีพวกนีไ้ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดี ซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือ 9,216 ล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้แล้วก็นรกขุมนี้ก็มีอายุ 80,000 ปี 8,000 ปี้สบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไปสิบพระองค์แล้วยังไม่ได้โผล่มันดูหน้ามนุษย์เลย ยังนั่งยิ้มร้องเพลงโวนครางโวนเพลงหรือรวนคางอยู่ในมหาลุลลลวาดรววานรกเอาแล้เป็นอรู้กันตามพระบาลีที่พูดตามพระบาลีนี่เรียกว่าอาจจะเฉาเฉาไปนิดไม่กระฉับกระเชิงก็เพราะว่ายัางไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคนโศนศัก์มาบอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่พูดในเรื่องที่ไปเห็นมาเอง ก็ต้องบอกว่าอย่างไงยังไ ง, ง, ไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักชายไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องเกลด็ดพระตามบาลีท่านเขียนไว้แต่พึงภาคพื้นวัสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องปูดตามท่านไปก่อนถ้าคืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัศตขุนที่แปดไม่เอาลักเขียนเต็มทีแล้ว ที่ว่าเขตดเพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้ข่มที่หนึ่งถึงข่มที่หกเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านมาไหลเที่ยวด้วยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่านหลายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นกกโก้บางทางนี้ถอยหลังไปนาดีตใยชาติแนตะ่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจคิดว่าผมมีเป็นคนน่ะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกกนะั่หมายจริง ผมรู้จริงๆเพราะผมเคยนอนในรกเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่เจ็กับขุมที่แปดไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขานี่มาขุมที่หกมีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทําให้สัตว์รับร้อนไอ้ตาปะนี่ร้อน ไม่ไหวอ๋อมีนรกดีอยู่ขุมหนึ่งโลกาตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังยังไม่ถึงก่อนพอถึงนรกขุมที่แปดนี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหาณนรกนี้ท่านกล่าวว่าถูกนายนิรยบาล น, น, นิรยานิระยะนะ อ่านผิดแทนลิ้นไม่ดีนี้ระยาบานแป ล, ป ล, ปลว่าผู้รักษานรกโดยเจ้าหน้าที่ของนรกบังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เล่นกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กเสี้ยงใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาล น, นรกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรา รุ่งโรจโชตนาการแดงฉานไม่ได้เปลวไฟแม่ดีจริงๆเล่นคนสนุกแล้วเสียบตนเองนมปลเหลาเหล็กนั้นซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แม่ไอเหล้าเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาเส้นแดงมีเปลวเผาไฟก็ลุกเปิบเปิอิเล็กตรแดงแล้วก็แหลมคมและด้านล่างก็ยังมีไฟพุ่งกับนอีก ไฟเผาผลสังหารสัตว์นรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีตอนนี้แม้ท่านบอกเป็นนิติรันดรนว่าอย่างนั้นไม่จำเป็นว่ากันตลอดเวลาไม่มีการพักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเลือก็ดีเนื้อหนังมังสาให้ให้มังสาเนี่ยก็ไปวันหนัง ท่านบอกว่าเนื้อหนังมางสายของสัตว์ทั้งหลายนนรกสั์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจัดคนแปลเข้าแปลเขลาไว้ลอกทับศับลงไปให้เอ็หนังมางสายมคนหนังแต่คนไทยเราชอบพูดสซนซอนเป็นเนื้อหนังมางสายของสัตว์ทั้งหลายนันรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเผาถูกผู้ทอมฟองหัวหาอะไรดีไม่ได้ ก็มีแต่ที่จะไม่สุขคองอยู่เหนือปลายแหลนเหล่าไปท่านเองท่านบอกว่ามีบุญมาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานนานไฟสัตว์ในรกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกทั่งเนื้อหนังพองไปเดิมหน่ายุ้งไฟในรก คันเนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขนรกรูปร่างใหญ่โตมากปหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่คือช้ า, ชางสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ร้องส่งเสียงดังกึ่กล้องเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยแหมแกมาก็จะกินนะมั้งช้างช้างหน้ากขจะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดกรเยียมก็หือ หรือวิ่งเข้ามาไปยงเท้าน้าไอหมานี่ไม่ใช่ช้างหมาตัวเท่าช้างก็ยงเท้าหน้าปลายปากงับกัดจะแชกลากสัตว์ตงหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนเหลาแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกเนื้อนี่ไม่ใช่หมาแท้เนี่ยเคราะเรหมากรรม อำนาจของกรรมของคนที่ทำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หมีหมาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนเอ อ, อย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าเป็นลงนรกจะมีอำนาจต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนนิรยาบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมนอันโทมันว่าจะไม่รู้เรื่องเลย เป็นอนันว่ชาใครชักฉีเนื้อสัตว์กินไอจะหมานะี่มันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายนิริยบาลชาวนรกนะ่ะเจ้าหน้าที่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นแหลนเห ล, ลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไป่ะไม่ไปอาหอบ ดำใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปึ๊บก็ยกขึ้นไปทรงไปเป็นยอดแหลนหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไฟก็ใหม่แลลงเอนแล้วก็เสียบเกิดแทงห้อยลงมาไหมาก็กัดก็กินก็ว่ากันแบบนี้แหละสบายสบาย นี่ในเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องเสวยทุกเว ท, เวทา น, นาอยู่ในนรกนี่ที่เรียก ว, ว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุประมาณหนึ่งมื่นหกพันปีนรกถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ก็ห น, นึ่งแสนแปดมืนสี่พันสองร้อยิบสองล้านปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ให้สิบแสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนริบสองเดือนเป็นหนึ่งปีนะจำไว้ด้วยนะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่เชียนได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนของเขาแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีครบหนึ่งมืนหกพันปีของนรกนี่น่าอยู่เหมือนกันนะ ความจริงในรัคุมนี้ก็น่าอยู่เนี่ยแต่เคาจะอยู่ก็ไปแล้วก็ไม่เอาอ่ะที่เกียดเดีวยว่าแย่งที่พรทไานอยู่แต่ความจริงคงเคยอยู่มาแล้วไอ้คุมที่หกนี่ไหมมันสนุกสนานบอกไม่ไม่ถูกเดินเรเกลละครมันเ ป, นเปลวไฟเป็นหอกแหลนเหล่าสแสดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนายนิรยบาลเท่านั้นเขาก็เคยดูก็เป็นขีเลี้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้ นีม่มานรกขุมที่เจ็ดมาหาตาเออมาหาทาปะณน้นอยเ น, นีาาน่ยชื่อว่มามาหาตาปะณมาหานรกนะมหาสองมหานะมหาตาปะณมหานรกนะนรกขุมนี้ชื่อดีท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่ยางสูงที่สุด หมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าขุมที่หกได้รับทุกเพื่อความเล่าร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบไปกับความร้อนในนรกขุมนี้นี่หมายความว่า น, นรกหกขุมนั่นแหละที่ว่าร้อน่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้แคนั้น น, นรกขุมนี้ยังมีชื่อว่ามาหาตาปานะมาหานรก แม่ใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วยในนรกขุมก็ใหญ่ร้อนก็มากนันเป็นชื่อว่านนรกที่เต็มได้วยความเล่าร้อนอย่างมากมายหรือประมาณแต่กล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่สัตว์ในมหาตาปนในรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในนรกแล้วกันท่านบอกโอ้สัตว์ของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรพวกนี้ พมานรกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ไายสารใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกๆตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปักเกรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมาย นายนิรยาบาลกามีอาวุธถืออยู่ในมืออาวุธที่ถือก็คืหอหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างลาวบ้างแล้วนอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเผืองโอ้โหไม่ไหวเลยไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกรโอ้โหมันคมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เหย เขาบอไล่ทิมแทงสัตว์นโลกทั้งหมดบังคับไปขึ้นไปบนภูเขาเอาทิไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขากดแดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กอะไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกอ่ะอีตาพนนกาาวกนี้แกก็บังคับให้ขึ้นไปอีกอเกาไฟแดงฉาบนบรรดาสัตว์ในโลก น, ลนั้นหลายเท่านั้นเมื่อถูกนายนิยบานไล่ทิมไล่แทง ก็พากันตกใจกลัววิ่งหนีขึ้นไปย่อยบนยอดเขานั่นเอาดูสิเอาเขาไล่ตีไล่ทิม่มไล่แทงไล่ข่าไล่ฟันกลัวเขานี่กลัววัดวิ่งขึ้นไปบนเขาวิ่งเขา้เขาไปมันจะไปยังไงไอ้ไฟมันก็ไหมเอาเถอะเผาตัวแล้วก็มีลมกดไอ้ลมกดแต่มันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกาลังแห่งลมของนรกไม่ใช่ลมชาวบ้าน ให้สัตว์ทันงหลายพวกนั้นพลัดตกลงมาจะยอดเขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็กแดงแสงแดงไปด้ไฟไฟโชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกขวากถูกน้ําถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบื้องล่างมีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแม้ยังมีเลือดอีก ถ้าความจียงเล่ห์เขามีวันนีวเวลาหมดเป็นการทรมานดูหน้ากลัวทะเลอย่างยิ่งนั่นหมาบบว่าบางตนก็ตกลงมาถูกขวาถูกน้ำแหลงเหลาเสียบเข้าหูเข้าตาทะลุมันไม่ต้องเลือกนะกันแล้วไปตัวเอ้ยมันเสียบไปทั้งตัวนั่นไมาจบอกกันก็ได้สําหรับนรกขุมนี้ไม่มีปีเป็นเครื่องกำหนด ใครเถามว่านารกคุมนี้สัตว์ที่เไว้ทุกขเวทนามีอายุกี่ปีนรกและก็นหนึ่งวันนรกคุมนี้คุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไรไม่มีสมบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอนแต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับ อายุที่เดเวยสุกอยู่ในนรกมันสุกอไอ้สุกที่ไม่ใหญสุกใจขึ้นเนื้อมันสุกหนังมันสุกกระดูกมันสุกเขาเจนสุกอยู่ในนรกขุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกลับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่ขุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดขุมได้ยินไหมบอกว่าท่านบอกว่านรกทั้งแปดเจ็ดขุมเนี่ยเรียปลายขุม ให้ทำบาปอะไรจรียงตกนรกขมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปลักลักแรลงกันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อยก็ตกสันชีพนรกแต่ก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแปะเกียไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดมีอายุเท่าไรเมืยย่อไ ร, ไรจะหมดกรรม นี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนก็นเล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอาเวจีพูดไว้ได้เพราะเวลาจะหมดแล้วนี่นะเว็ น, นั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จําเป็นต้องอามาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดจดีไม่ดีก็อย่าหาว่าผมเป็นพระุ้ทธเจ้าเสเองผมมันลำบากเว็ น, นั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ว่ากันมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอยุติก่อน สำหรับเรื่องนรกก็วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้